พุทวาสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนิษฐนนานในวันพฤหัสบดีซึ่งจะมีการสนทนาร่วมกันนะคะระหว่างพระมหาภัยบุญอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีซึ่งท่านเนี่ยพบกับท่านฟังทุกท่านตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วคือท่านพบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อะค่ะจะมีดิฉันมาร่วมสนทนาก็วันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นะคะ และในวันนี้ในเมื่อมาแล้วที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 แห่งนี้ก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าคำสอนของพระาศาสดานั้นไม่ได้ห่างไกลตัวท่านเลยแล้วก็ล้วนเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรทราบเพื่อวันหนึ่งจะได้เกิดประโยชน์กับทุกๆ ท, ท่านที่ฟังรายการแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทุกๆวันของพวกเราได้เลยนะคะเราไปกราบนวั ก, การพระมหาภัยบูด้วยกันค่ะ นวมสการะท่านคะเชิพอนทราบว่าช่วงนี้มีคอสปฏิบัติธรรมอีกแล้วใช่ใช่ถึงวันที่เจ็ดมิถุนายนค่ะเริ่มตั้งแต่วันวิสาขะหรือไงคะ เ, เริ่มมาตั้งแต่วันที่สามสิบสามสิบพฤษภาคมแล้วอ๋อคะ่ะเริ่มก่อนวันวิสาขะสองวันใช่นะคะรับเดียวเองนะคะเหมือนกับเพิ่งพูดถึงคอสปฏิบัติเมื่อครั้งที่แล้วไปไม่กี่วัน <c oughs> ก็ที่วับดบ้านนายโสเราก็จะมีเดือนละครั้ง ค <C HA> เดือนละครั้งครั้งละเจ็ดวันมีทุกเดือนค่ะอ <C HA> เดือนละครั้งนี่ถือว่ากําลังดีไหมคะสําหรับกําลังของวัดคะ่ะเอก็ยังมีผู้ที่ต้องการจะมามากกว่านั้นดีนะคุณโยมเดียว <C HA> เนื่องจากว่าคือในแต่ละครั้งเนี่ยคือปีหนึ่งจัดสิบสองครั้งเนี่ยวั <C HA> นทีก็ยังไม่พอต่อความต้องการแต่ว่าวัดเรามีกําลังประมาณนี้เเพีย่ย <C HA> เพียงพอกับกําลังของวัดพอๆกันได้อยู่อ๋อค่ะเล้นถามอย่างนี้ได้ไหมคะว่าอ กำลังในการรับในแต่ละครั้งเนี่ยประมาณหนึ่งรอยท่านอย่นี้นะคะหนึ่งร้อยท่านเนี่ยคือนม่ถามเผื่อคนอื่นนะคะเพราะว่าบางครั้งดิฉันได้ยินความสนใจในลักษณะว่าจะไปเป็นหมู่เป็นคณะแต่ก็อยากจะทราบว่าหากจะไปกันขนาดนี้แล้วก็เราจะทําบุญอย่างไรถึงจะทําให้วัดสามารถแบกรับภาระคณะที่ไปหนึ่งร้อยคนเนี้ได้มีอัตราไหมคะประธานโทษนะค ะ, ะถ้าถ้าเรื่องของกินอยู่ อาการกินเนี่ยผู้ปฏิบัติเองเขาก็าร่วมกันทําบุญอันนี้มันก็พอไปได้ค่ะทีนี้ว่าเรื่องที่เรารับรับไม่ไหวก็คือว่ า, าความถี่ความความบ่อยอย่างถ้าบอกว่าปีหนึ่งอาจจะจัดสิบห้าครั้งสิบครั้งอย่างเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของวดัดหรือว่ากิจกรรมอืม่นๆมันก็จะทําให้มันไม่ลงตัวโอ้แมันก็จะอิ่มตัวแค่ประมาณเนี้ยปีหนึ่งสิบสองครั้งเพราะฉะนั้นจะไม่มีการพูดถึงว่าจัดหนึ่งครั้ง ถ้าโยมอยากจะเมาคณะไปจะคิดเป็นปัจจัยเท่าไหร่เพราะเชื่อว่าผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีจิตที่จะช่วยเหลือกันอยู่แล้วช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างที่จากประสบการณ์ที่ท่านเคยไปเห็นเขาขึ้นป้ายบางคนเ้าก็มาปฏิบัติแล้วก็ทําบุญไว้สําหรับคนอื่นๆที่กําลังจะตามมาด้วยใช่ในะคะส่วนความถี่เท่าที่ไปเห็นเนี่ยถามไปอย่างงั้นละคะแต่ถ้าสมมติท่านพูดบอกว่าจะเปิดอีกเดือนและ ก, กี่สิบ แต่ปีละเท่า ก, กี่สิบี่ครั้งที่ฉันอาจจะขออนุญาตว่าเสนอคำแนะนาว่าท่านต้องตรองให้ดีเพราะดูเหมือนกับท่านพิบุษเหนื่อยมากเหนื่อยเมื่อก็ธรรมดานะคุณยมติวเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่ในท่าเดินลำนัอาจจะเมื่อยบ้างเหนื่อยบ้างแต่ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จิตใจสบายดีค่ <c oughs> ะมาก็ชอบอยู่ละใครมีโอกาสอยา่าพลาดโอกาสดีนะคะในชีวิต ปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งใช้เวลาทั้งหมดก็สมมติสักสิบวันหัวท้ายด้วยกับวันปฏิบัติจริงจริงเจ็ดวันรวมแล้วเก้าวันนะคะประมาณนี้มาเข้าสู่คำถามของรายการนะท่านคะ <c oughs> คจริงเราเพิ่งผ่านวันวิสาขะกันมา <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าพอถึงวันวิสาขะถ้าชาวพุทธทีเข้าใจาเขาตั้งใจมากเพราะว่าเขาจะ จัดว่าในบรรดาวันสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีวันมาฆบูชาอีกวันอสารหาบูชาอีกเนี่ยบางคนบอกว่าวันนี้สําคัญที่สุดจริงๆแล้วใะน้ําหนักของวิสาขาอาสารหากับมาฆบูชาเราจัดลำดับว่าวันใดสําคัญที่สุดกระนั้นค่ะในความเห็นสมาก็ต้องมีพุทธะมาก่อนเลยเสมารสมปุทาต้องมาก่อนถึงจะมีธรรมะถึงจะมีหมู่ผู้ปฏิบัติดีได้ ต้องมีสัมมาสัมพุทธ h a ก่อนถ้าไม่มีการตรัสรู้จะมีสิ่งเหล่านั้นเกิดตามมาไม่ได้เลยค่ะดังนั้นก็วันวิสาขบูชาเนี่แหละจึงมีความสําคัญมากในกวมเป็นสมานะค่ะก็คือตก็น่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าคิดตามตรากาธรรมดาธรรมดาได้ไหมคะใช่ใเพราะว่าถ้าไม่มีการเกิดของพระพุทธเจ้าไม่มีการเกิดมาแล้วได้บําเพ็ญเพียร เ, เพื่อการตรัสรู้ก็คงไม่มีพระพุทธเจ้า ให้เราได้ธรรมะของพระพุทธองค์ใช้กันเรื่อยมาถึงวันนี้ใช่ก็จะไม่มีพุทธศาสนาว่า ง, งั้นเลยเตอะค่ะศาสนานี่คือคําสอนใช่ไหม <c oughs> คาสอนของใครคําสอนของพุทธะ <c oughs> เพมันก็ต้องมีพุทธถึงมีพุทธศาสนาได้ค่ะทีนี้พอมีศาสนาแล้วเอาละคนที่ฝักใฝ่ปฏิบัติเนี่ย น, นะคะบางทีทําไปก็เกิดความสับสนในสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าสิ่งที่เป็นความรู้อย่างเช่นเรื่องของการปฏิบัติกคะท่านคะปฏิบัน จะมีสับสนกันอยู่บ่อยมากเกี่ยวกับว่ายานกับฌานเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรอะไรสําคัญกว่ากันเพราะดูเหมือนว่าถ้าดูในอ ร, ริยมรรคไม่งูแปดเราจะพบแต่ฌานถูกไหมคะในสมาสมาธิสมาสมาธิฌานหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามก็ยังได้ยินคนพูดถึงยานบางคนบอกอย่างนี้เลยนะคะว่า ถ้าไม่มีการผ่านยานทั้งหลายมาก่อนอืจะไม่มีการบรรลุทําได้อย่างเด็ดขาดโอเคเรามาทําความเข้าใจเรื่องคำศัพท์กันนิดหนึ่งก่อนอทั้งชาญและยานเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนีที่ภาษาไทยเราก็ยืมมาใช้เนะี่เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าพูดอยู่ละชานกับยานเนี่ยโดยโดยให้ความหมายนะคำว่าชานเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการเพ่งในะการเพ่งจุดประสงค์ทําเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเป็นอารมณ์เดียวดังนะะะนั้นคําว่าชาญ ก็จะใช้เกี่ยวกับในคอนเท็กซ์ในบริบทของเรื่องของสมาธิ ค, คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนสะกดด้วยชอกระเชยอนออกเสียงเป็นชอช้างนะฌานตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้ น, นที่เราทํำความเข้าใจกันก็ชั้1 2นึในเรื่องของสมาสมาธินนี้คือฌานแต่ทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดของฌานสมาธิพวกนี้ก็จะมีคำมืออื่ น, นเช่นสมาบัติสมาธินี่นคือสมาบาัตินี่คือความที่มันคงที่แล้วแน่วแน่แล้ว ก็คือฌานเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าเป็นกิริยาก็ได้แต่คือขณะที่คุณกําลังตั้งจิตขึ้นพยายามที่จะเพ่งอยู่ใจจดใจจ่ออยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นก้อนเป็นสภาวะเป็นที่พึ่งได้ยังไม่เป็นสมาบัตินะเพราะนั้นฌานเนี่ยก็จะพุ่งไปหาสมาบัติค่ะนั่นก็คือคำนี้นั่นคือคําว่าฌานตรงนี้คือเมื่อเป็นอารมณ์เดียวแล้วเรียกว่าสมาบัติถูกไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องทีนี้พอเกิดอฌานนั่นคือเป็นสมาธิเป็นสมาบัติเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามต่อมาก็ เ, าเรียกว่าญาณ น, นะนี้สะกดด้วยยอหญิง<ะ>ก็คือญาณ น, นะนี้ก็คือหมายถึงความรู้ญนะาณนเนี่ยแปลว่าความรู้ใน<ะ>ที่นี้ก็คือปัญญานั่นเองแต่บางทีก็ใช้คําว่าปัญญาญาณนะทีนีถ้ถ้าจะไม่ให้สับสนกันเลยนะควรจะใช้คู่กันเพื่อความรัด ก, กุมก็คือฌานสมาธิฌนะานสมาธิตัวอะไรเองจะจะทำความเข้าใจอย่างเงี้ยน ะ, ะถ้าฌานก็คือฌานสมาธิถ้ายาณก็คือปัญญาญาณ ปัญญาเกิดหลังจากสมาธิเกิดทําไมถึงเกิดหลังเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะต้องเป็นอารมณ์เดียวก่อนนถึงจะมีความเข้าใจความใสปิงมีความใสปิงแล้วเกิดความเข้าใจเป็นปัญญายานขึ้นมาปัญญายาณ น, นี่ก็มีในเรื่องตั้งแต่พื้นพื้นฐานเช่นว่าการเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้ก็เรียกว่าวิวปัสนาญาณวิปัสนาเนี่ยแปลว่าเห็นตามที่เป็นจริงญาณ น, นี่ก็คือความรู้ถูกไหม ความรู้ตามที่เป็นจริงนี่คือวิปัสนาญาณอย่างเช่นอะไรอะ่ะก็เห็นแกนเกิดแก่เจ็บตายตเป็นกองที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเห็นความทุกข์พวกนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาพวกนี้คือปัญญาญาณทั้งสิน้นค่ะอันนี้คือปัญญาในข้อที่1ทีนี้ในเรื่องของญาณเนี่ยบางคนก็จะพูดถึงเรื่องอภิญญาญาณอภิญญาญาณปัญญาญาณจะใช้ศัพท์พวกนี้ก็จะวนๆอยู่ในเรื่องของญาณอยู่แล้ว <c oughs> นะจะไม่มีการใช้ฌานเข้าไปปนกับเรื่องอภิญญาถูกม <c oughs> เพราะว่าฌานเนี่ยเป็นเหตนะุผลจึงเกิดเป็นก้อนขึ้นมาของอภิญญาอันนี้เป็นญาณละฌ <c oughs> นะานเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังนะเราต้องกับนียไว้ก็ได้ <c oughs> เพื่อความที่ไม่สับสนในข้อแรกเราพูดถึงเรื่องของวิปัสสนาญาณถูกไหม <c oughs> <ๆ>การเห็นตามที่เป็นจริงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนอยู่แล้ว เดีจะเป็นชาวบ้านร้านตลาดฝึกสมาธิมาบ้างเล็กๆน้อยน้อยก็เห็นได้ตามที่เป็นจริงเป็นขั้นเป็นตอนตามความจริงไปนี่คือวิปัสนาญาณในข้อถัดมาก็จะเริ่มเป็นเรื่องของที่ความสามารถเหนือมนุษย์ละที่คนอื่นเขาจะแบบว่ายกย่องกันว่าโหเป็นเรื่องที่แบบเหนือมนุษย์เรื่องที่พิเศษพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นาาว่าการที่สามารถแยกกายได้จากร่างเดียวเป็นหลายร่างได้การที่สามารถเดินทะลุผนังทะลุกำแพง เดินไปบนน้ำํำลอยขึ้นไปบนอากาศทั้งๆที่อยู่ในท่านั่งสามารถที่จะรูปคลาดวงจันดวงอาทิตย์เหาเอื้อนเอากาศอะไรไปได้พวกนี้อันนี้ก็เรียกวิทธิวิธีอันนี้คือข้อที่2ในข้อที่สามความที่เป็นญาณเป็นปัญญานะเป็นปัญญาเกิดขึ้นเป็นความรู้พิเศษเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทําฌานสมาธิเกิดขึ้นได้แล้วข้อที่3นั่นก็คือเรื่องของโสตะโสตะทิพนะ่ะโสตะธาตุอันเป็นทิพ ก็คือหูทินั่นเองหูทิต้องมาตามลำดับนะะี้แบบคะไม่ไม่จเป็นไม่จำเป็ น, ปน ค, ค่ะหูทิปนี้ก็คือหมายความว่าคุณได้ยินเสียงทั้งที่เป็นของทิปและเป็นของมนุษย์ค่ะนี่นี่คือข้อที่สามส่วนในข้อถัดมาก็คือทิ่พยาจักษุในะทิพยาจักษุเนี่ยจริงๆแล้วชื่อของเขาที่ถูกต้องก็คือจุตูปปาตายานในจุตูปปาตายันก็คือการที่มีความรู้เห็น แนวะว่าสัตว์เนี่ยตายแล้วไปเกิดในที่ไหนอันนี้ก็เรียกมีตาทิพนะด้วยทิพยักษัสุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุขของสามัญมนุษย์จึงเห็นได้ว่าสัตว์นี้ทํากรรมอย่างนี้ดีมาก็ไปเกิดที่ดีทํากรรมอย่างนี้ชั่วมาก็ไปเกิดที่ชั่วอย่างนี้สามารถรู้ไดนะ้ถัดมาก็คือเรื่องบุเพนิวาสานุสติยานคือการที่รู้ย้อนหลังได้ เ, เมื่อสักครู่นี้คือรู้ในอน า, นาคตว่าก็จะตายไปแล้วจะไปไหน ส่วนนี้คือรู้ในอดีตว่าที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ยไปไหนมาบ้าง <Okay. S 1> ในอดีตว่าระลึกย้อนหลังไปได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้างหรือเกินกว่านั้นบ้างรู้ว่าเคยอยู่ที่นี้กินอาหารแบบนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อะไรต่างๆน <Okay. S 1> ี่คือในเรื่องอดีต <Okay. S 1> อันนี่คือข้อที่5ถาแมาในข้อที่6กนั่นก็คืออาสวัค ย, ายาิจญาณอาสวัคยิาณ น, นี่ก็คือญาณคือความรู้ในการที่อาสวัตจะสิน้น นะสะวัสจะสิ้นได้นะสะวัสนี่ก็คือแบบเป็นกิเลส ท, ที่ดองนองเนื่องอยู่ในใจขอยงเรานะ่ะมันจะหลุดออกมันจะสิ้นออกมันจะหมดแล้วเนี่ยจะเกิดยานตรงนี้ขึ้นเรียก อ, อาสวัคยายานนะ่ะคือตรงนี้ในข้อที่6นี้ก็คือว่าบรรุปเป็นพระอรหรันต์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งกันดูให้ถูกเนี่ยพระอรหันต์บางรูปบางท่านก็จะไม่ได้5ข้อแรกไม่ได้ แต่พระอาารันทุกรูป ท, ทุกท่านจะได้ต้องได้ข้อสุดท้ายจะต้องได้ข้อสุดท้ายคือข้อที่ญญอาสวัคคยานคือคือความสามารถของแต่ละคน ไ, sí. ไม่เท่ากันคือปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันพูดงี้นะปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันทีนี้คนที่ทําได้มากก็แสดงว่ามีปัญญามากแต่อย่างน้อยๆที่เขาจะต้องทําได้ในความเป็นพระอรันเนี่ยคือจะต้องมีอาสวัคคยาน แต่คือทำมาสบายให้สินได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเรียงไปตามลำดับอ๋อค่ะงั้นบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระอรหันต์แต่ดูเหมือนกับท่านไม่เคยพูดถึงประสบการณ์ของการเห็นญาณต่างๆเลยซึ่งท่านไม่พูดแต่ว่าท่านต้องมีให้ได้คืออันที่หกอาสวะขยะยญาณถูกต้องถูกต้องต้องมีแน่ญาณที่จะสิ้นกิเลสท่านคะทีนี้ บางเอิญมันเข้าสู่คําถามที่มีเพื่อนของทิฉันนั่นนะคะเจ้าบาลเขาก็เป็นผู้ปฏิบัติค่ะแล้วเขาก็ฝากมาถามว่าบาุเพนิวาสานุสติยานกับทิพย์ยะจักษุเนี่ยเหมือนกันหรือไม่ถ้าฟังตามที่ท่านว่าก็ไม่เหมือนแล้วนะคะไม่เหมือนกันค่ะเอะบุเพนี่จะเป็นในเรื่องของอดีตนะบุปผาบุเพนี่คือคําแปล ว, ว่าผ่านมาแล้วอยู่แล้วค่ะนะก็คือผ่านมาแล้วนี่คือดูในอดีต คําว่าระลึกชาติอันเดียวกันใช่ใชระลึกชาติผนหลังนี่ยคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างอันนี้คือที่พระพเจ้าบอกแล้วคําว่านุสติเนี่ยคือระลึกได้ไงอย่างที่เราอนุสติ10ใช่ไหมมีอนาปนาสติพุทตานุสติเนี่ยก็คือระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้คือบุเพนิวาสานุสติก็คือระลึกถึงพบก่อนชาติก่อนได้โดยอเนกปริยายนี่คือบุเพนิวาสานุสติญาณ ส่วนจุตูปปาตยานนะอันนี้ก็คือเรื่องของอนาคตคเรื่อ ง, องอนาคตทีนี้ทำไมอนาคตเนี่ยถึงเป็นทิพยะจักษนะุคำว่าทิพยะจักษุเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ในจุตูปปาตาานจะไม่ได้มีในบุเพนิวาสานุสติญาณเพราะนันตาทิพย์เนี่ยก็คือจะมองพูดถึงในเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นยังไงยังไงคือดิฉันเข้าใจว่าที่สับสนแม้กระทั่งนึกตามก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะ ก็น่าจะใช่บุพเพนะเพราะเหมือนกับว่ามีตาทิพย์ที่จะมองเห็นทะลุย้อนไปในอดีตนะคะแต่ว่าในความหมายที่พระพุท ธ, ทธเจ้าอธิบายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันยังไม่เกิดขึ้นไงค่ะถ้าจุดตัวบาปตาญานี่ยังไม่เกิดขึ้นอ่าก็เลยต้องมีตาทิพย์แต่ที่มันผ่านมาแล้วมันเกิดมาแล้วนะมันผ่านมาแล้วอันนี้ก็คือบุพเพนิว่าสารนุสติยานขออนุญนะคะคือดิฉันเองก็ได้ยิน บางเรื่องมาเป็นพวกอภินยาแบบนี้แหละนะคะ mm hmm. เช่นมีคนก็บอกว่าหูพระ อ, องค์นี้เจ๋งมากเลยน ะ, mm hmm. ะคุณเป็นพ่อเป็นแม่เด็กคนหนึ่งนะคะก็ไปทำบุญหลังจากที่ส่งลูกขึ้นเครื่องบินละพอไปถึงทักทายกับพระสงฆ์รูปนั้นเสร็จท่านก็ทักเลยบอกว่าลูกนะ่ะไปไม่ถึงปลายทางหรอกนะ พ่อแม่ก็ตกใจมากนะคะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งปรากฏว่ากลับไปบ้านเนี่ยก็ได้ข่าวจริงๆลูกไม่ได้มีอุบัติเหตุแต่เหมือนกับเครื่องบินเนี่ยมีเหตุทำให้ต้องแวะประเทศประเทศหนึ่งระหว่างทางทั้งที่ไม่ได้อยู่ในกำหนดว่าจะต้องแวะอันนี้ก็เท่ากับว่าท่านมีทิพยยะจักษุถ้าถ้าฟังตามเนี้ยใช่หรือเปล่าคะเป็นไปได้เป็นไปได้ที่นี้ที่ต้องจะต้องพูดถึง อีกนิดนึงก็คือว่าความละเอียดมันจะไม่เท่ากันนะแต่ละคนเนี่ยจะความสามารถเอาต่อให้มีทีนี้ความละเอียดก็ <น phony S 1> อาจจะไม่เท่ากันนั่น <ๆ S 1> คือคนที่ละเอียดเนี่ยเขาก็จะรู้แหะว่าจะไปแวะที่ไหนใช้วเวลาเท่าไหร่นะทำไมแก้ไขได้ไหมนี่คือเขาจะรู้ละเอียดแต่ละคนที่รู้ไม่ละเอียดรู้นิดหนึ่งก็อาจจะพูดขึ้นมาได้รู้นิดนึงอาจจะพูดขึ้นมาได้ก็อาจจะอาจจะรู้อยู่แต่ไม่ละเอียดเลยพูดแค่นี้ อันนี้ก็เ <Okay. S 1> ป็นไปได้แตนะ่นี้แนี้อย่างที่คุณโยมติว๋วพูดถึงว่าภิกษุหรือว่าใครชอกะไรคนหนึ่งก็ตามอ่ะจะเป็นาราวาหรือภิกษุก็ตามที่จะเจ๋งจะดีหรือไม่ดี เ, เราเราวัดที่ศีลสมาธิและปัญญาของท่านแล้วก็วิมุตด้วย4อย่างนะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยไม่คิดว่าเอ๊ะจะทำความเคารพใครดีจะไหว้ใครดี เราตัดสิรู้ถึงขนาดนี้จะไหว้ใครดีเกณฑ์ในการที่พระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าจะยกมือไหว้เขาหรือไม่เนี่ยก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติเดีวมีใครไหมที่จะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติที่ยิ่งไปกว่าเราเดีที่เราควรเคารพที่เราควรจะเข้าไปอยู่อาศัยด้วยเนี่นี่คือเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าไอ้คนนี้เขาจะควรค่าแก่การยกมือไหว้เจ๋งอย่างที่คุณย ม, มติว่าเนี่ยคือต้องดูที่ตรงนี้เนะีซึ่งถามว่าไอ้ข้อที่ว่าเออท่านสามารถรู้ได้ว่า อนาคตจะเป็นยังไงอันนี้เป็นปัญญาสิกขาของท่านค่ะอันนี้เป็นปัญญาของท่านตอนนี้ปัญญาก็จะมีละเอียดมีหยาบมีความสามารถในรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปละแต่ละคนนะนะคะคือดิฉันคิดว่าถ้าคนทั่วไปเ้าก็ตื่นเต้นหรอคะท่านคะ <c oughs> นะถ้ามาพิจารณาศีลสมาธิปัญญาบางทีเราไม่รู้ไม่เข้าใจอะ่ะแต่อย่างที่บอกสิ่งที่ไม่ควรจะทราบแล้วทราบเนี่ยก็อาจจะทําให้เราคิดว่า อย่างนี้แหละเจ๋งแต่ถ้าเป็นพระพุทธองค์ไม่ได้สรรเสริญแบบนั้นเลยอก็จะดูที่ที่สี่สี่กรณีศีส่สมาธิปัญญาเลยมิมุติค่ ะ, คะท่านฟังเราก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องทําไมถึงท่านไม่ให้วัดกันที่อภิญญาเหล่านั้นล่ะคะท่านคะคือถ้าเราจะพูดถึงอภิญญาเนี่ยมันเป็นปัญญานะคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีะนะดีทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นอภิญญาในห้าข้อแรกเนี่ยก็ยังเป็น ยังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสอ ย, ย, ย, อยู่ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยกิเลส ท, ที่ยังมีอยู่เนี่ยบางทีมันก็จะทําให้ทําเรื่องที่ไม่ดีได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าไม่มีศีลโดยเฉพาะยิ่งถ้าใจิตใจยังแบบอยากได้ลาบสการะบางทีก็อาจทาให้ทําไปด้วยกิเลส ท, ที่มันยังอยู่ในใจได้ตรงนี้จึงไม่ดีคือคือที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ติที่ว่าตัวปัญญาสิขาในข้อนั้นนะแต่ติ หรือไม่ดีเนี่ยด้วยกิเลส ท, ที่มันยังเหลืออยู่ตรงนี้จึงไม่ดีท<อ>ําให้บางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าอย่างเราพูดถึงอนุสาสนีปฏิหารถูกไหมกับอัเทศนาปฏิหารเนี่ยอเทศนาปฏิหารเนี่ยก็คือแบบการเทศสอนทําให้คุณรู้ตามได้ถูกไหมก็คือพระพุทธเจาพูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาคุณทําตามคุณตรัสรู้ตามได้โอ้โหบรรลุปเป็นพระอาารันขึ้นมาอันนี้เป็นอัเทศนาปฏิหารอันนี้ดีแต่นนในขณะที่อนุสาสนีปฏิหาร แล้วก็คือแบบทายใจห่อเหินเดินอากาศรู้วารจิตคนพวกนี้นกลับไม่ยกย่องกลับใช้คําพูดขนาที่เรียกว่าขยาขยังเกลียดชังโดยซ้ำโ อ, อทีนี้ทำไมถึงตรัสอย่างนั้นคือไม่ได้ตําหนิคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันจะเข้าใจไปได้อย่างนั้นเท่านั้นใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเราไปดูในภาษาบาลีเนี่ยโครงสร้างภาษาเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นได้ด้วยว่าจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ติปัญญาสิกาในข้อนี้<ะ>แต่ติอะไร แต่ที่ขยะกขยงเกลียดจางเนี่ยก็คือการที่คนอื่นเขาจะมาเข้าใจผิดนะว่า อ, อันนี้เป็นมายากลเฉยาบางทีทายใจเี่ยมันก็มีวิชามายากลที่ทายใจได้คุณหยิบไพ่สองสาใบฉันสลับตรงนี้ถามคุณสองสามคำก็รู้แล้วว่าคุณเลือกไพ่ใบนี้คุณไม่ต้องมีแบบจุตูปปาทะยานหรือว่าปูเป็นนิมาสานิสติยานก็ได้ ค, คนให้ทําให้คนเข้าใจผิดคนที่ไม่ศรัทธาเขาจะเข้าใจผิดตรงนี้ก็จึงแบบว่าขยะกขยงเกลียดจางตรงนี้ อออาทีนี้มันมันก็ต้องแยกจุดแยกประเด็นกันล่ะค่ะเพื่อฟังตามทันไหมคะคือเรี่องกาลังพยายามจะถามท่าอาจารย์ว่าความสามารถเหล่า น, นี้เป็นความสามารถที่สามารถที่จะนิยมยกย่องหรือไม่พระพุทธองกลับไม่ชื่นชมเพราะทั้งหลายทั้งปวงนั้นยังมีกิเลสปะปนอยู่ แล้วก็ที่สําคัญคือไม่ใช่ตัวคนที่มีอภินยาที่เป็นปัญญาเหล่านั้นท่านตาหนิแต่ตาหนิว่าสิ่งที่ทำลงไปอาจจะทำให้คนอื่นที่เขามีความสามารถโดยไม่ต้องเป็นลักษณะของการมีปัญญาญาเหล่านี้ใช่ไหมคะ ช, ชแต่มีวิชาเฉพาะเช่นวิชาเล่นกลต่างๆ่ามายากลพวกนี้ก็ทาให้เสียหายได้นะคะค่ะทีนี้ ก็คิดว่าได้ความรู้พอสมควรสรุปถ้าตอบคำถามเพื่อนดิฉันก็คือว่าเรื่องของตาทิตหรือจักรสุทิพกับเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติยานนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะจักรสุทิพเป็นเรื่องของจุตูปปาตยานเป็นการล่วงรู้อนาคตได้ถูกหคะถูกต้องในขณะที่บุพเพนิวาสานุสติยานเป็นการไปรัลึก รู้ถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วได้นแล้วใช่นะคะอันนั้นเป็นความรู้ไม่ใช่ว่าต้อตาไปดูไม่ได้เพราะเขาสับสนค่ะ <c oughs> คือดิฉันรู้จักคนที่เขามีความสามารถในการที่ที่เหมือนกับเห็นภาพในอดีต น, นะคะ่ะค่ะ ซ, ซึ่งอะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่าความรู้ของพระพุทธองค์เนี่ยเขาจะช่วยทําให้เกิดความมั่นใจได้มากยิ่ยงขึ้นว่ากําลังปฏิบัติในสิ่งที่ หรือสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องตามที่พระศ า, าสดาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เหนือใครเนี่ยนะคะอะตรัสเอาไว้เรียนผ่าท่านอาจารย์คะดังนั้นถ้าจะสรุปอีกนิดหนึ่งก็คือว่ายานกับฌานไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันต้องมียานก่อน<ม>ต้อมีฌา น, านก่อ น, อนใช่ใช่ยานถึงจะม า, าใช้คําให้รอบครอบนิดหนึ่งก็ฌานสมาธิใ ช, ใช้คำให้รอบครอบนิดหนึ่งก็ปัญญายานอย่างงี้ นะคะท่องฌานสมาธิมีสมาธิก่อนปัญญายานจึงจ ะ, จะเกิ ด, กดขึ้ น, นใช่ค่ะทีนี้มาถึงอีกคําถามหนึ่งเป็นคําถามที่ส่งตรงไปที่ท่านเพริปูลแล้วท่านเพริปูลก็มอบให้ดิฉันเป็นผู้ถามนะคะว่าจริงไหมถ้าคราวัตบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอาหารหันแล้วจะต้องตายภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคเอาความเป็นพระอาหารหันก่อนนะความเป็นพร ะ, ะอาหารหันเนี่ยอยู่ที่ไหนนะีคือมีคอนดิชันอย่างไรใ น, นต่าความเข้าใจตรงนี้คืออาหารหันเนี่ยแปลว่า ไกลจากกิเลสนะหรือฆ่ากิเลสได้หรือกำจัดกิเลสได้หรือต่อยกิเลสได้นั่นะเป็นคำพวกนี้ทั้งเทือกนี้ทั้งสิน้นนะั่นก็คือไกลจากกิเลสนะเพราะนั้นไกลตรงไหนไกลจากกิเลสคือจิตแน่นอะนจิตนี้ไกลาจากกิเลสนะจิตเนี้ยก็อยู่ในกายในรูปแบบไหนก็ได้จะเป็นผู้ชายผู้หญิงฆราวาสพระสงฆ์ได้ทั้งสิน้นเพราะว่ามันอยู่ที่ใจก็คือราคะโทสะโมหะเนี่ยออกไปจากใจ อาจะเกิดอยู่แต่ว่ามันไม่แปดเปื้อนมาในใจมันไกลจากกันแตพระพุทธเจ้าเบรบรเทียบกรณีที่น้ําอยู่บนใบบัว น, น้ํากับใบบัวติดกันก็จริงแต่ว่า ม, มันไม่ได้เนื่องกันนะนะเช่นบางทีอาจจะมีเรื่องอะไรมากระทบแต่ว่าจิตใจสบายอยู่อันนี้คืออารานแต่ทีนี้จิตที่จะอยู่อย่างนี้ได้ทรงอยู่ได้เนี่ยจะต้องมีการประพฤติพรหมจรรย์แน่แนอนศีลต้องเป็นศีลที่เป็นตรียะเพราะนั้นต้องประพฤติพรหมจรรย์ นืสมาธิต้องสมาธิที่เป็นระยะเพรา ะ, ะนั้นต้องอย่างน้อยชั้นที่1ปัญญาเนืนต้องเป็นปัญญาชนิดที่เป็นระยะเพรา ะ, ะนั้นต้องรู้อริยสัจสี่โอเคนะต้องมี3อย่างนี้ในไหนในกายและในใจของบุคคลผู้นั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นพระสงฆ์เน้อก็มี3อย่างนี้ไหมเนื้ศีลเบื้องต้นประมจาจันมีไหมเน่้นมีแน่นอนเพราะว่าพระสงฆ์นี้ต้องประพฤติประมจาจัน<ะ>ใช่ไหมทีนี้ถ้าคารวะเนื้อคารวะศีลหก็มีคารวะศีล8ก็มี นะตรงนี้แหละที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าที่ว่าคารวาจะต้องตายเลยเนี่ยหรืออยู่ได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยพรหมจรรย์อยู่ด้วยพรหมจรรย์เพราะนั้นต้องมีศีลแปดอย่างน้อยถึงจะอยู่ได้<อ>นะคือจิตเนี่ยถ้าเปลว่ากายมันไม่มีศีลจิตที่ไม่มีราคะโทสะโมหะจะอยู่ไม่ได้เอาไหม่นะคือเหมือนกับว่าของมันดีมากเนี่ยถ้าภาชนะที่มาหอมันไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้ น่ะนะก็คือเปรียบเหมือนกับกายคือภาชนะที่มารองรับจิตที่มันดีขนาดนี้นะถ้าภาชนะมันไม่ดีคือไม่มีศีลที่เป็นพรมจรรย์อา้าหรือว่าศีลห้ามีแค่ศีลห้าเนี่ยมันไม่พอเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ทาให้เกิดการเป็นไปล่นะอุบัติเหตุบ้างหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างก็จะตายเร็วจะตายเร็วเพราะจิตมันไม่อยากอยู่อะ ท่านคะอันนี้เป็นบัญญัติพระพุทธองค์ไว้เลยหรือเปล่าพี่อันนี้เป็นข้อมูลที่อาจาอนุมานเอาจากการอ่านหลายๆพระสูตรนะอ๋อค่ะหลายๆคนที่เป็นคารวาสบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตายนะก็คือแบบอยู่บนเดดเบดแล้วจะตายอยู่แล้วนะพระพุทชาติไปเทศให้ฟังเสร็จปุ๊บก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่กี่อืดใจก็ตายนะมีพระบิดาของพระุชธเจ้าเป็นต้นสันตติมหมาเป็นต้นแล้วก็อีกหลายๆรูปทีนี้หลายๆรูป นะพอได้ฟังทำบรรุเป็นพระอาหารหันแล้วก็บวชเลยเนะี่ยบวชเลยก็อยู่ไม่ได้อีกหลายปี<อ>เป็นลักษณะนี้ก็มีค่ะก็ะเลยสรุปว่ายอย่างนี้ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วในการบรรลุอาหารหันเนี่ยสามารถมีแค่สีง่าก็บรรลุได้ไหมะไม่ไม่ใช่ต้องสี่แปดอ๋อเหรอคะต้องสี่แปดแค่ขั้นจะบรรลุก็ก็ไม่ได้แล้วต้องสี่แปดตั้งแต่ต้นเลย ถูกต้างต้องเป็นพรหมจรรย์ไงศีลอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ต้องต้องศีลแปเป็นอย่างน้อยทีนี้อย่างพระสงฆ์เนี่ยมันพรหมจรรย์อยู่แล้วถูกไหมคือมันมากกว่า8ข้ออยู่แล้วทีนี้อย่างน้อยๆที่สุดในความเป็นพรหมจรรย์ที่คุณจะต้องมีทําไมทําไมถึงต้องวัดอย่างนี้เพราะว่าคนที่เป็นอรหันต์จะบรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยคุณต้องเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนต้องไม่มีกามต้องไม่มีเราเกณฑ์ตรงนี้มาวัดการต้องไม่มีเพราะฉะนั้นศีลห้ามันยังเนื่องด้วยกามอยู่ ยังกินข้าวเย็นอยู่ยังแบบว่าเรื่องของคนคู่ยังมีอยู่แต่ต้องศีลแปดขึ้นไปศีลแปดเป็นอย่างน้อยที่สุดที่จ ะ, ะพูดถึงเรื่องของพรหมจรรย์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยการได้ค่ะดังนั้นในคำถามข้อนี้ก็เลยตอบว่าใช่ถูกไหมค ะ, ะถ้าไม่ถ้าไม่มีศีลอย่างตำ่ำอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ถูกต้องจะต้องจะอยู่ได้ไม่นาน ถ้าอจารคะล้ถ้าเกิดครว่าธรรมดาเนี่ยจะรักษาศีลมากกว่าแปดข้อได้ไหมคะโดยไม่ต้องบวชนะคะโอได้สิได้สิสแล้วก็แบ่งเหมือนกับสมมุติพระเนี่ยมีสองร้อยกว่าข้อใช่ไหมคะมหรืออาจจะมากกว่านั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอืแต่ถ้าเราเป็นครวา่าเราถือว่าเราไม่ต้องทําเท่าพระหรอกเราก็เลือกเป็นข้อข้อไปนอกเหนือจากแปดข้อพื้นฐานอันนี้ได้ไหมคะได้ได้คืออย่างสมมุติแปดข้อพื้นฐาน เราต้องทำต้องการทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกอย่างกรณีพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีเรื่องสงผมก็จะบังคับมาอีกข้อหนึ่งเครื่องแบบก็จะบงังคับกุอีกตั้งหลายข้อเกี่ยวกับเครื่องแบบเรื่องการกินนะก็อย่างคารวาะถ้าเป็นศีลแปก็จะมีข้อเดียวใช่ไหมวิการลาโภชนาะถ้ า, ถาพระสงฆ์นี่ก็จะมีอีกหลายข้อเกี่ยวกับเรื่องปากท้องแต่ทีนี้ถามว่าเราถ้าเราต้องการจะเพิ่มเติมขึ้นจากแปดข้อก็จะมาเป็นรายละเอียดพวกเนี้ยให้เป็นปกติ ศีล<ส>ต้องกลับมาจุดที่ว่าเป็นปกติความเป็นปกติเนี่ยหมายถึงศีลเราก็จะาจะาทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาให้มันเป็นปกติของเรา<อ>เพิ่มเติมขึ้ น, นะะมาได้โออันนี้ก็ได้ได้ความรู้อีกว่าถ้าเกิดระหวังสูงหวังจะไปเป็นพระอาหารหันเนี่ย <ๆ S 1> เผยเผยบางทีเริ่มต้นด้วยศีลห้าแล้วก็ต้องรีบไต่ขึ้นไปเป็นศีลนะ่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์รองไว้เลยอย่างนั้นไหมคะนะคะ ถ้าอาจารย์เขพอดีเวลาใกล้จะหมดบังเอิญมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งอยากจะถามให้หมดไปภายในวันนี้เลยนะคะนคนถามมาชื่อคุณพันนรายรัตนภัยทูลบอกว่าต้องการจะทราบเกี่ยวกับประสบการณ์พิเศษในการได้พบกับแม่ชีท่านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ87แล้วท่านเนี้ยสามารถที่จะรู้แล้วก็ได้ยินเมื่อเราพูดคุยกันอยู่ในกรุงเทพคือเมือกอยู่คนละที่เนี่ย แต่ท่านเนี่ยสามารถที่จะรู้จะได้ยินได้ว่าคุยอะไรกันอยู่เป็นไปได้เป็นไปได้คือนี้ก็คือลักษณะของอทิพยาโสตาาธาตุก็คือหูทิพหูทิพได้ยินเสียงจากที่ไกลทั้งที่เป็นเสียงมนุษย์และเป็นเสียงทิพสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะก่อนจะจบถามมีคำถามเลยคะที่ฉันได้ยินเพื่อนเขาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ไปปฏิบัติของเขาซึ่ง เขาก็มีประสบการณ์ตื่นเต้นเร้าใจตลอดเลยนะคะซึ่งดีฉันไม่เคยเจอเขาบอกว่าแล้วก็บางทีก็อยากรู้เหมือนกันนะคะด้วยค่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมเขาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาได้ยินเสียงเปรตด้วยอืมโสตะทิปเนี่ยนะคะโซตะธาตันเป็นทิปโสตะธาตันเป็นทิปเนี่ยสามารถได้ยินเสียงแยงนด้วยไหมคะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้คือคืออันนี้นะนะไอ้ยานที่จะเกิดขึ้นเนี่ย คือปัญญายางที่จะเกิดขึ้นนี้นะเป็นผลของฌานสมาธิถูกไหมนี่ความคมของปัญญาเนี่ยถ้าเราพูดถึงปัญญาต้องพูดถึงความคมนะมันอาจจะไม่เท่ากันอาจจะแวบเดียวแวบเดียวที่คุณรู้ได้ทีนี้ตรงนี้คือประเด็นแหละแต่ว่าพอไอ้แวบเดียวที่คุณรู้ได้ชัดเจนตรงนั้นแป๊บเดียวเนี่ยไม่รู้มันคลิกกันยังไงมันเห็นขึ้นมาได้ยินขึ้นมาน่ยแป๊บเดียวขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเพราะว่าถ้าเรารู้ตรงนั้นแวบเดียวขึ้นมาแป๊บเนี่ย แล้วเราเอามาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวนั่นนี่โน่นกิเลสจะได้ช่องทันทีมารจะได้ช่องทันทีอืมอันนี้ต้องระวังนะเราเห็นแล้วต้องทํำยังไงคะท่านถ้าจะไม่ให้เกิดการปรุงแต่งต้องตั้งสติให้ดีต้องตั้งสติให้ดีอย่าให้มันมีการปรุงแต่งไปต่อเนื่องในสตินี้จะเป็นตัวควบคุมรู้แล้วไงรู้แล้เห็นตามที่เป็นจริงให้เห็นตามที่เป็นจริงอันนี้สําคัญมากเลยเห็นตามที่เป็นจริงนี่ได้ว่าโอ้อันนี้บางทีมันก็เกิดนะบางทีมันก็ไม่เกิดนะค่ะท่านคะแล้ว ถ้าเกิดในการเห็นนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ า, เ, าเขามาขอบุญนะคะเราก็อุทิศบุญให้อย่างนี้ถือว่าเรามีสติแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งต่อหรือเปล่าคะใช่ใชก่ก็ได้เหมือนกันได้ดีอันนี้ทำก็แก้ไปตามเหตุใช่หอันนี้ทำได้ดีทีนี้ประเด็น ค, คือว่าในสามัญญผลต่างๆเหล่านีน้เรื่องของปัญญาสิกขาเนี่ยปัญญาญาหรือว่าฌานสมาธิเนี่ยเป็นสามัญญผล นี่คือเป็นผลที่เกิดขึ้นได้จากการที่คุณปฏิบัติอะ่ะเราอย่ายกตนข่มคนอื่นด้วยสามัญญผลข้อใดๆคอันนี้แม่เนื่องจากว่าที่ท่านได้บอกพระพุธองยังกล่าว ถ, ถึงเรื่องห้าข้อแรกของความรู้ญญที่เป็นปัญญาต่า ง, างๆเนี่ยว่ายังมีกิเลสเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดใครมีประสบการณ์เช่นนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากเลยไหมคะที่อย่าให้เกิดการปรุงแต่งนะเดี๋ยวเสียหาย มันมันจะกิเลสมันจะได้ช่องมันจะได้ช่องได้อ น, นี้ต้องระวังนะคะดิ่ฉันก็หวังว่าการสนทนากับพระอาจารย์ไผ่บูรณ์ในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่บางทีปฏิบัติแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆอย่างนี้จริงๆแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้นะคะจะไปศึกษาต่อได้ที่ไหนอย่างไรคะมันถึงจะเกิดความชัดเจนได้มากกว่าที่ฟังรายการนี้วันเนี้ย อ, อันนี้เรากลับมาที่ตัวแม่บทเลย่ย ค, นะคือตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายบอกสอนเอาไวนะ้มีอยู่ในหลายพระสูตร สามัญญผลสูตรในมัชชิมานิก า, กายก็มีหลายอันเราไปหาอ่านตรงนี้จะได้ข้อมูลพระรุูปชาติประ ร, ร, ะรูเหตุอะไรนเตือนตรงไหนเอาไว้จะได้มีโอกาสาก็จะมาคุยกันในรายการนี้ก็ได้ค่ะหรือถามมาที่พระอาจารย์เพียบุญอีกก็ได้ไดนะคะที่เว็บไซต์เพียวธรรมะคอมค่ะแต่ถ้ามาถามในรายการวิทยุในดีนะคะคนจะได้รู้มากขึ้นสําหรับคนที่ไม่สัญชาติเข้าอินเทอร์เนต็ตค่ะได้ปานท่านคะวันนี้หมดเวลาจริงๆ ราาส ก, การขอบพระคุณท่านสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะวส ก, การค่ะท่านผู้ฟังคะและนี่คือรายการสันสนีสนทนาสันสนีนาพงดำเนินรายการนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 พรุ่งนี้มาพบกับรายการนี้กันใหม่สำหรับวันนี้พทุทธวัสดีค่ะ